มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใกล้กรุงเปิดบริการตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ3โมงจันทร์ถึงศุกร์โทร0 2 5 4 9 3 0 4หหรือที่ w w อร์ t วท์เว็ t ดซช่วงเวลาดีๆกับการแบ่งปันเรื่องราวที่ทำให้คุณอมยิ้มแปกเปเราในรายการโพสอิรายการนี้มีแต่คิดบวกที่นี่ FM89.5MHz เม สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการโพดอิดคะ่ะรายการนี้มีแต่คิดบวกดาริสาตระกุณเยกพร้อมด้วยคุณเ e. อพานุมาตรัฐ บ, บุญค่ะสวัสดีค่ะคุณไ้ายสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนะคะกลับมาพบกับเราทั้ง2คนเนีเช่นเคยในรายการโพดอิดรายการนี้มีแต่คิดบวกค่ะกับเรื่องราวของเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่เราจะหยิบยกมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังเนี่ยได้รับฟังกันเป็นเรื่องราวแบบอารมณ์ดีนะคุณไอซ์ใช่ค่ะเนี่ยยิ้มตามไปกับเรานั่นเองค่ะอืมใช่แล้วนะคะ2เรื่องราวของเราในวันนี้นะคะโพดเลิศและโพตดไทม สำหรับของที่ันค่ะคุณเอ๋คุณฟงังพอดาเลย น, นะคะมีบริษัทเบียรของอิตาลีนะเปิดให้บริการส่งคุณย่าให้ไปทำอาหารถึงที่บ้านเดียวนะ <laughs> คราวที่แล้วเรามีการให้บริการในเรื่องของยืมน้องหมาสุนัขที่สิงคโปร์อันนี้ไปอิตาลีกันเลยนะคะมีบริการแบบว่าให้ส่งคุณย่าไปทําอาหารที่บ้านให้บางคนอาจจะแบบว่าคือถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ต้องบอกว่าคุณตาเขาต้องบอกว่าคุณเป็นคุณย่าคุณยายเนี่ยนะเขาจะมีแบบว่าเคล็ดลับแล้วก็เทคนิคในการเป็นแบบว่าแม่ครัวปลายจวักคช่ใช่ใช่แบบว่าเนี่ยนะคะแล้วก็รด ชาติรถมือของเขาเนี่ยจะอริดอร่อยอสูตรดั้งเดิมตั้งแต่ลุกต้อง อ, อ, อดีตการมาลูกต้อง น, <c oughs> น, นะแล้วอย่างอิตาลีเนี่ยรับรอง เ, ออเลยว่าโอ้ถ้าได้ลิ้มรสเนีคะฝีมือของคุณย่าเข้าไปรับรองว่าต้องติด อ, อกติดใจกันแน่นอนใช่แล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังละกันในโพลนเลิศคะ่ะตามมาด้วยช่วงของพ่อไทม์นะคะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักเนี่คะแล้วก็เพิ่มกําลังใจให้กับตนเองในวันที่รู้สึกเหนื่อยล้าอคือทุกคนเนี่ย เหนื่อยได้ทอได้ต้องเป็นงานทุกคนแหละคุณไอช่ ก็ตื่นมาก็หนึ่งไงแล้วเพราะว่าต้องแบบฝ่าฟันเราติดมาถูกต้องนะคะการออกจากบ้านเดินทางไปทํางานนีปฏิบัติภารกิจต่างๆเนี่ยเป็นอะไรที่แบบฟันฝ่านะใช่แต่เช้าเลยคือบางคนเนี่ยถ้าถ้าอารมณ์เสียตั้งแต่เช้าก็จะอารมณ์เสียทั้งวันเลยใช่เหมือนเป็นเคล็ดหลือสักอย่างเนาะว่าต้องก้าวเท้าไหนออกจากบ้านใช่ไหมเหมือนแบบเอ้ยวันนี้คือไม่ใช่วันของฉันอ่ะใช่ใช่คือแบบโอ้โหโดนตั้งแต่เช้าเลยอะไรแบบนี้นะคะใช่ค่ะนี่แหละนะเดี๋ยวเรามา รับฟังการทั้ง2ช่วงเลยนะคะของรายการในรายการพอดีตรายการนี้มีแต่คิดบวกค่ะแต่ว่าในช่วงของต้นรายการแบบนี้นะค ะ, คะเรายังอยู่กันที่เรื่องราวของการคลายเครียดค่ะภายใน5นาทีนะค ะ, คะจะทำอย่างไรได้บ้างวันนี้เรามาต่อกันด้วยข้อสิบ แล้วก็ข้อ12ค่ะข้อ11นะคะเขาบอกว่าให้หยดน้ําเย็นลงบนข้อมือค่ะคุณหยดน้ำเย็นลงบนข้อมืออันนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนใช่เลฉันก็ไม่เคยได้ยินเลยแต่ว่าคือเห็นพอเราหงายอันเดียบผู้ฟังฟังเราอยู่ตอนนี้ก็ทุกคนก็จะหงายมือขึ้นมาดูข้อมือข้อมือหงายข้อมือเนี่ยนะคะคือคือเขาก็จะเห็นเป็นเส้นเลือดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคุณนายเขาบอกว่าแถวแถวข้อมือเนี่ยจะมีหลอดเลือดใหญ่แดงอยู่การหยดน้ําเย็นลงบริเวณนั้นค่ะจะทําให้ร่างกายรู้สึกเย็นนะคะแล้วก็เกิดความรู้สึกสงบได้นั่นเอง อลองเลยดิฉันดิฉันเป็นแต่ว่าไม่ได้เป็นกับข้อมือนะเป็นเป็นกับเท้าอ๋อเวลาที่เราไปเจอพื้นปูนแบบพื้นเย็นเย็นอะไรอย่างเงี้ยชอบถอดรองเท้าแล้วก็ยืนยืนอยู่กับพื้นปูนแบบนั้นมันจะแบบโหมันมันจะรู้สึกดีขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะที่ฉันเป็นแล้วแล้วก็ติดไปจนบอกว่าไปเซเว่นเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยก็แบบบางทีสั่งเท้าแตะไปก็ ก็เอาสักหน่อยหนึ่งตอนยืนเลือกของสักหน่อยอะสักหน่อยหนึง่ง <c oughs> เอาอีกข้อหนึ่งว่ายังไงคุณเอ๋ข้อที่สิบสองค่ะนะคะหวีผมเบาๆนะจากการหวีผมนะคะจะช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตบริเวณหนงังศีรษะเนี่ยทําให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ยังทําให้ผมเนี่ยจัดทรงสวยงามเนะี่ยส่องกระจกดูแล้วก็อารมณ์ดีขึ้นอีกด้วยแต่อันนี้จริงๆเลยนะเขาบอกว่าการหวีผมเนี่ยเป็นการแบบว่ากระตุ้นให้โลหิตหรือว่าเลือดเนี่ยไหลเวียนได้ดีนั่นเองใช่เหมือนแบบเรา คลกแกล้งเนาะเราก็แบบนวดนวดอะไรอย่างนี้บางคนนะคุณอายชอบไปสระผมที่ที่ร้านเสมสวยเพราะว่าเขานวดให้ด้วยใช่ถูกต้องคือพอเราไปซะแล้วเนี่ยมันมันเคลิ้มนะมันสบายจริงก็เลยติดจากการไปสระใดที่ร้านใช่ค่ะะบางบางท่านสงสัยว่าทําไมเวลาไปสระใดที่ร้านอ่ะพอออกมารู้สึกหัวเบามัเพราะว่าเขาใดใช่ไหมใดแล้วก็แบบ อเออผมเบาเออก็จริงใช่ไหมานาั่นแหะสิ อ, อันนี้นอาจจะเป็นเคล็ดลับของร้านร้านทําผมหรือเปล่าะนะคะเอาคนที่มาเหมือนเคยเลยนะคะ h o t c o r d i n t s ค่ะวันนี้ไม่มีข่าวคราวอะไรนะคะแต่ว่าอาจจะมีปิดท้ายข่าวในช่วงโพสต์ดเลิสนิดหน่อยนะคะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามโพสต์ดเลิศกันดีกว่ากับเรื่องราวของบริษัทเบียอิตาลีนี่แหละส่งคุณย่าไปทําอาหารถึงบ้านคุณค่ะเราเราไม่เคยหยุดนิง่งในการพัฒนาเดินหน้าอย่างมืออาชีพสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม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 ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ชั้น7ศูนย์การค้าบางซื่อจังชัน p พ s ต์อรายการนี้มีแต่คิดบวกเปิดอ่านกระดานเตือนความจำในช่วง p พ s ต์ l e r t กลับเข้ามาสู่ในช่วงของโพสต์อเลอร์สนีคะวันนี้คุณไอ้มีเรื่องราวจากต่างประเทศเลยนะโดยบริษัทเบียอิตาลีนะคะเปิดให้บริการ Delivery เขาบอกมันไม่ใช่ Delivery ไม่ใช่ d e l i เ e r y สิเดอร์ อ, เ, อเป็น d e l i v e r นะคะก็คือส่งขุนย่าเขาบอกเป็น d e l i v e r หรือว่าแอดนอนนาน่ะนอนนาอานอาจจะเป็นภาษาอิตาลีใช่ไหมนะอ่านจะน่าจะเป็นภาษาอิตาลีนะคะส่งคุณย่าเนี่ยไปทําอาหารถึงบ้านคุณอือใช่ค่ะอันนี้อย่างที่รู้กันดีว่าเวลาเราไปอาศัยอยู่บ้านคุณปู่คุณย่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเวลาที่คุณปู่คุณย่ามาที่บ้านเราเรื่องของอาหารการกินก็จะไม่เป็นปัญหาต่อไปถูกต้องนะเวลาคุณไปต่างจังหวัดนะคุณจะได้อิ่มนําสําราญมากถูกนะเขาก็จะแบบมีการบอกโอ้มาลูกมาลูกเดี๋ยวทํากับข้าวให้ กินอย่างเงี้ยแต่จริงบ้านเราเรื่องกินเรื่องใหญ่นะใช่จริงๆรเพราะว่าเราไปตามบ้านผู้ใหญ่กลับไปเยี่ยมบ้านกลับไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเจะไม่กินก็กระไล่ไม่ลด้ไม่ได้เลยคือรอเลยนะอืรอกินเลยนะแล้วเาก็รอทําให้เรากินนี่แหละถูกต้องค่ะคุณย่าก็จะเป็นแบบว่าคนจัดหานู่นนี่นั่นนะบางครั้งแบบไม่อยากกินนะแต่ก็ต้องมากินค่ะค่ะอย่างที่คุณบอกเลยเป็นเหตุผลเดียวกันกับที่บริษัทเบียอันนี้เนี่ยของประเทศอิตาลีนะคะเขาบอกใช้ข้อข้อจุด p o i ตรงเนี้ยมาเปิดธุรกิจเป็นธุรกิจให้เช่าคุณยาค่ะนะคะ <laughs> ไปทำกับข้าวที่บ้านเออคือบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทในเครือของเป็นบริษัทเบียร์นั่นแหละค่ะ ข, ขายี่ห้อดังระดับโลกนะคะแล้วก็เปิดให้บริการในชื่อที่ว่า Deliver นอนนาหรือว่าเอนนนนานะคะที่จะให้ผู้คนเนี่ยสามารถเช่าคุณย่าชาวอิตาลีไปทําอาหารสไตล์อิตาเลียนแท้ค่ะคุณในบ้านเลยนะคือไม่ต้องแบบคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราอยากสมมติเราอยู่ต่างประเทศแล้วเราอยากจะทานอาหารไทยเราก็ต้องไปตามร้านอาหารไทยในที่อยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้คือส่งแม่ครัวส่งคุณย่าเนี่ยมาที่บ้านเลยมาที่บ้านเลยสมื้อเลยนะคะค่ะค่ะสามื้อเลยเหรอใช่คุณย่าอยู่กับเราทั้งวัน ค่ะมีบริการไปส่งถึงที่นะคะนอกจากนี้คุณย่าเองเนี่ยจะได้เปลี่ยนบรรยากาศ ไปอยู่บ้านของคุณด้วยคือกลายเป็นบ้านที่แสนอบอุ่นไปเลยมีคุณย่าด้วยใช่ค่ะคุณย่าจะคอยอบขนมปังพาสต้าแล้วก็ทําแป้งพิซซ่าให้นะคะ อ, อิตาลีมาก <c oughs> คือนี่เป็นบริการส่วนหนึ่งของภารกิจค่ะในการที่ให้ผู้คนเนี่ยหันมานั่งรับประทานอาหารร่วมกันบนโต๊ะอาหารหรือว่าเป็นเขาเรียกว่ากิมมิกนิดนึงอ่าใช่ให้กินข้าวพร้อมกันในครอบครัวเนาะคือถ้าสมมติว่าอย่างที่ทีฉันบอกว่าเราถ้าเราอยากกินอาหารต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไปตามร้านอาหารบางทีมันก็จะไม่พร้อมหน้าพร้อมตาค่ะแต่วันนี้เนี่ย ถ้า <ừ m. S 1> สมมติพาแม่ครัวมาที่บ้านเนี่ยเราก็ต้องกินที่บ้านใช่พร้อมน้ำพร้อมตาแ น, น่นอนค่ะใช่แล้วอันนี้เป็นบริการอย่างที่บอกไปเป็นส่วนหนึ่งนะคะในขณะนี้ในบริการดังกล่าวเนี่ยเปิดให้ใช้บริการได้แค่เฉพาะตอนนี้มีของลอนดอนนะคะที่อังกฤษแล้วก็เชื่อว่าจะนิยมมากๆขึ้นน่าจะเป็นฝั่งยุโรปมากกว่าเนาะเป็นไอเดียธุรกิจที่หลายๆบริษัทเนี่ยเริ่มเปิดเปิดใจแล้วก็อยากจะให้มีใช้บริการบ้าง แต่ในส่วนนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่านอกจากอิ่มท้องแล้วยังช่วยสร้างงานให้กับผู้สูงอายุได้อีกด้วยนะคะค่ะอืมครับคุณที่มาด้วยจาก catdum.com ค่ะวันนี้มาปิดท้ายมาสักคู่คุณย่านะคะปิดท้ายข่าวช่วงนี้แล้วกันเป็นคุณแม่ค่ะทีนี้เนี่ยเขามีแคมเปญจากสิงค์นะคะเป็นโครงการดีๆคืนดวงใจให้แม่ r ีเท r ฮ to Home เป็นโครงการที่มาจากปัญหาเด็กหายค่ะคุณค่ะนะคะเป็นปัญหาหนึ่งที่สําคัญของอสังคมไทยในแต่ละปีทุกๆวันก็จะมีเด็กหายออกจากบ้านจํานวนมากนะค ะ, คะสาเหตุปัจจัยหลักๆแล้วเนี่ยทำให้เด็กเด็กหายเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาครอบครัวก็ได้หรือว่าอาจจะถูกล่อลวงออกจากบ้านนะคะเพื่อไปแสวงหาผลประโยชน์อะไรก็ตามมีแคมเปญสร้างสารรค์สังคมนะคะทาง The Standard ์ดเขาก็เลยอยากจะแนะนําเพราะว่าเป็นแคมเปญที่รู้สึกว่าทางประธาน เจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดนะคะคุณเต้ภูริศพิรมพักดีเขาให้แคมเปญเนี่ยชื่อว่าคืนดวงใจให้แม่หรือว่า Return h นฮา t ์ทูโฮนะคะเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของเด็กหายนี่แหละก็เลยมีไอเดียขึ้นมาว่าจะตามหาเด็กหายจะทำยังไงดีแคมเปญ น, นี้เนี่ยเขาเหมือนกับว่าจะเอารูปเด็กที่หายค่ะคุณ ไปอยู่บนขวดน้ำค่ะขวดน้ำที่ขายในเซเน่ะอะเป็นการรณรงค์ประกาศหาแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นอีกช่องทางหนึ่งคือจริงๆเนี่ยมันเคยมีแคมเปญแบบหลากหลายรูปแบบในการตามหาเด็กมาแล้วใช่นะคะก็เลยกลายเป็นว่าอะซะหน่อยละกันนะคะแคมเปญนี้เนี่ยเชื่อว่าในขวดน้ำสิงของเราเนี่ยยังมีพื้นที่ที่จะ ให้เด็กที่หายไปเนี่ยกลับมาเจอกับคุณพ่อคุณแม่อันนี้ก็เลยติดต่อไปมู ล, ลนิธิกระจกเงาค่ะเพื่อประสานงานทํางานร่วมกันจนสําเร็จเป็นโครงการอันนี้ออกมาโครงการนี้ในตลอดเดือนสิงหาคมเขาได้จัดไปแล้วนะค ะ, คะจนสิ้นสุดเดือนสิงหาคมก็ยังมีแคมเปญ น, นี้อยู่นะไปลองสังเกตขวดขวดน้ําของสิงดูละกันะนะคะโดยปัญหาเด็กหายเนี่ยเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่สําคัญมากๆเขามีการระบุสถิติที่ผ่านมาด้วยนะคะว่าในทุกๆวันเนี่ยมีเด็กหายออกจากบ้านจํานวนไม่น้อย สถิติจากมูลนิธิกระจกเงานะคะบอกว่าเด็กจะมีอายุระหว่าง8ถึง18ปีคือในปี2559เนี่ยหายเด็กหายเนี่ยจำนวน418คนค่ะปี2560นะคะ403คน2561 309คนค่ะคือจำนวนก็ขึ้นขึ้นลงลงแต่ว่าก็มีทุกปีค่ะนะคะล่าสุด2562สถิตินะเดือนกรกฎาคมค่ะมีเด็กหายจำนวน153คนแล้วแหละ นะคะสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยปัญหาครอบครัวถูกล่อลวงออกจากบ้านตกเป็นเหยื่อการค้าแก๊งค้ามนุษย์อะไรอย่างนี้ค่ะแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กๆทั้งนั้นนะคะนัเป็นเรื่องที่สร้างความทุกข์ใจกับพ่อแม่ที่ผ่านมาก็มีหน่วย ง, งานต่างๆอย่างที่บอกไปร่วมมือกันนะคะช่วยเหลือตามหาตัวเด็กต่างๆนาๆนาเนาะแต่ว่าปัญหานี้เนี่ยก็ไม่ได้เบาบางลงนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะแบบจริงเหรอเด็กหายเยอะขนาดนี้เลยหรอคือบางทีเนี่ย เราบางสื่อเนี่ยเขาก็ไม่ได้นําเสนอขนาดนั้นไงใช่แล้วก็บางทีเนี่ยก็ไม่ได้รู้นะคะว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นหรือว่าไม่ได้เป็นข่าวใหญ่โตะน ะ, ะหลายหลายคนก็อาจจะไม่ทราบนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีเด็กพัดหลงหรือว่ามีเด็กหายออกไปจากบ้านนั่นเองคือโครงการคืนดวงใจให้แม่ return home นี้นะคะคือน้ำสิงเนี่ยเขาก็พิมพ์อย่างที่บอกไปพิมพ์เป็นฉลากนะคะของบนขวดน้า กว่า20ล้านขวดนะคะในขนาด750มิลลิลิตรแล้วก็600มิลลิตรค่ะเนื่องจากเป็นขนาดที่ผู้บริโภคเนี่ยนิยมนิยมอยู่แล้วนะคะช่องทางก็คือร้านห้างค้าปลีกต่างๆ 7-Eleven นะคะที่กระจายอยู่กว่า 11,000 สาขาทั่วประเทศตลอดทั้งเดือนสิงหาคมเนี่ยเผื่อจะแบบว่ามีท่านไหน เห็นบนฉลากเห็นเด็กเนี่ยเอ้ยบางทีอาจจะแบบหน้าตาคุ้ น, คนเคยอาจจะเคยเห็นอะไรอย่างงี้ไง น, นะคะก็ลงบนสังคมออนไลน์ด้วยนิดนึงแล้วก็ช่วยกันแชร์นะคะเพื่อกระจายให้สังคมได้รับรู้ในวงกว้างมากขึ้นอันนี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กลับมาให้เด็กเนี่ย บางบางท่านาเจอพันผ่านอะไรอย่างเงี้ยการตามหาเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันสําหรับเด็กหายนะคะนอกจากนี้เนี่ยการรณรงค์ให้พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเขาบอกว่าต้องการรณรงค์ให้ตระหนักถึงในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยเอาใจใส่บุตรหลานในครอบครัวค่ะแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้เด็กๆเนี่ยหายออกจากบ้านอีกด้วยใช่แล้วค่ะนะคะขอบที่มาด้วย a n i m a l c a t r u m c o m ค่ะก็เป็นแคมเปญดีๆตลอดเดือนสิงหาเหมือนกันใช่แล้วนคะคะเนื่องในด้วยวันแม่แห่ชาติด้วยแล้วก็รวมไปถึง โครงการนี้เนี่ยอยากจะเป็นสื่อกลางนะทางทางสิ่งเองก็อาจจะอยากเป็นสื่อกลางในเรื่องของการหาคนหาเด็กนะคะที่พัดพลางจากแม่แล้วก็ลูกชนั่นเอ ง, ค, เอง ค, ค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามเรื่องราวของโพสต์ไทม์กันดีกว่าค่ะเป็นช่วงเวลาแห่งการแบ่งปันทางความคิดค่ ะ, เ ร, ะเราไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาเดินหน้าอย่างมืออาชีพสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม RMUT moving towards innovative university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 สอบถามเพิ่มเติมที่02 549 3653 p พ s t It รายการนี้มีแต่คิดบวกเรื่องดีๆที่อยากแบ่งปันในช่วง s พส i m e เขาสู่ช่วงนี้นะคะโพสทามวันนี้มาแบ่งปันทางความคิดกับเรื่องราวของการเพิ่มกําลังใจให้ตัวเองค่ะคุณเอใช่แล้วค่ะในวันที่หลายๆคนนะคะท้อแท้เหนื่อยล้าแบบนี้นะคะเชื่อว่ามีคนอยู่ไม่น้อยเลยนะคะที่ในตอนนี้เนี่ยอาจจะกำลังจะรู้สึกว่าเหนื่อยล้าเหลือเกินอ่อนแรงนะคะกับการใช้ชีวิตอันเนื่องมาจากภาระหน้าที่รวมไปถึงอุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่างค่ะที่จําเป็นที่ต้องผเผชิญนะคะจนส่งผลให้เริ่มรู้สึกหมดกําลังใจ แล้วก็ไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปทางไหนดีแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องก้มหน้าก้มตายอมรับชะตากรรมเหล่านี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่าทางออกที่ดีที่สุดในการที่จะช่วยขจัดปัญหาทุกอย่างให้ได้ดีก็คือการหัดเพิ่มกําลังใจให้กับตัวเองนั่นเองอย่างผู้ที่ไม่มีวันยอมแพ้ซึ่งหลายคนเนี่ยก็คงจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าการสร้างกําลังใจให้กับตัวเองบ่อยๆนั้นถือเป็นข้อดีที่จะช่วยให้ตัวเรามีพลังในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ นะเรียกได้ว่าเป็นพลังบวกค่ะนะคะได้มากยิ่งขึ้นแต่ในทางกลับกันค่ะหากไม่รู้จักนะคะการให้กําลังใจตัวเองบ้างเนี่ยหรือว่ามัวแต่ตอกย้ําข้อเสียต่างๆแทนอาจทําให้เราไม่มีแรงจูงใจนะคะที่จะทําสิ่งใดให้สําเร็จลุล่วงได้เลยค่ะคนเราเนี่ยผิดพลาดกันได้ค่ะคุณผู้ฟังอย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่น ะ, ะคะจริงๆแล้วการเริ่มต้นใหม่เริ่มเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะนะเริ่มเริ่มใหม่วันนี้เริ่มใหม่พรุ่งนี้เริ่มใหม่<ช>แบบนี้ก็ไม่สายนะคะความผิดพลาดที่เกิด ขึ้นจากการลงมือทำนะคะหากไม่ได้ลงมือทำเนี่ยก็ย่อมไม่เกิดผลอะไรเลย เหมือนสัปดาห์ที่แล้วที่เราพูดกันไปะนะคะอย่าจะให้ทุกคนเนี่ยจำประโยคนี้เอาไว้ให้ขึ้นใจนะคะเพราะว่าเราไม่อยากเห็นใครหลายๆคนเนี่ยเอาแต่นั่งโทษตัวเองอจากความผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจให้ก่อเกิดขึ้นนะอย่างน้อยเนี่ยเราก็ควรจะขอบคุณตัวเองด้วยซ้ํานะคะที่กล้าลองผิดลองถูกจนรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ใช่หรือไม่ใช่ดังนั้นการให้อโอกาสของตัวเองเนี่ยเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอจะช่วยให้คุณนะคะได้เรียนรู้การหัดให้ อภัยทั้งตนเองแล้วก็สิ่งต่างๆรอบข้างรวมไปถึงเข้าอกเข้าใจธรรมชาติของชีวิตค่ะที่เมื่อมีถูกก็ย่อมมีผิดนะคเพราะฉะนั้นแล้วจงมองความผิดพลาดให้เป็นคุณครูนที่จะช่วยสอนให้เราเนี่ยรู้จักกับการแก้ไข นะฮะแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆที่อาจไม่เคยได้รับมาก่อนจากที่ไหนนั่นเองอืมในะะขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะจากเว็บไซต์ goodlifeupdate.com ค่ะอืมใช่แล้วอันนี้เนี่ยรู้จักเพิ่มกำลังใจให้ตัวเองคือคือคนเราก็ต้องผิดพลาดกันบ้างนะเนาะใช่แล้วนะคือจริงๆแล้วอย่างที่เราบอกกันไปหลายๆครั้งเลยว่าทำแล้วผิดนะ คือ <c oughs> ดีกว่าไม่ได้ทดําทใช่คืออย่างน้อยเรายังได้ลงมือทำนะคะถึงแม้ว่ามันจะผิดพลาดหรืว่าเราต้อง เ, ออเสียใจแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยนะคะเราก็ได้เอาเขาเรียกว่าความเสียใจผิดเป็นครูคุณใช่ไหมคะผิดเป็นครูคเอาความเสียใจตรงนี้นะคะกลับมาเป็นบทเรียนว่าเราจะไม่ทําซ้ําแบบนี้อีกนะ นะคก็ทุกๆคนนะไม่ได้มีสีขาวไปอย่างเดียวหรือว่าไม่ได้มีสีดําไปอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคนเท่าๆแบบเราเท่าค่ะทุกคนต้องเท่าน่ดนอยใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันะค่อภัยตัวเองด้วยอภัยสิ่งรอบข้างด้วยค่ะค่ะอพอสุดท้ายคําคมในวันนี้นะคะอย่ายอมแพ้ให้กับอะไรง่ายๆโดยที่ตัวเราเองยังไม่เคยลงมือทําค่ะขอบคุณที่มานะคะ Facebook คิดชีวิตคิดบวกค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้ นะคะเดินทางกันมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วของรายการโพสต์อิดรายการนี้มีแต่คิดบวกนะคะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสัปดาห์หน้านะคะเรายังคงมีเรื่องราวที่เป็นแบบว่าข้อคิดดีๆนะคะเรื่องราวต่างๆที่จะมาพาคุณผู้ฟังนั้นอมยิ้มตามไปกับเรานั่นเองนะคะ <rib> ในรายการนี้วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเราทั้ง2คนและรายการโพสต์อิดรายการนี้มีแต่คิดบวกต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังนะคะวันนี้ลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ อย่าเอาแต่กังวล น, นัเลยเวลาที่จะอได้ยินเร็วองาวที่ใครเขาพูดกันวันฉันนั้นแบไปคุยแอบตจอใคร กับใครจะไม่ใช่เธอเลยอยากบอกให้เธอรู้ก็ฉันคนเดียวก็ต้องรักคนเดียวก็ต้องมองคนเดียวป็นสนใครก็ฉันรักทค่คนเดียวก็ต้องให้ที่คนเดียวใจดวงนี้คนเดียวไม่ ใ, ใคร ร, รับฉันเลยเอาตามที่ใจต้องการอยากคนอะไรก็คนเลยสิ่งที่จะเจอมีแต่รูปคู่เราก็เธอคือคนสำคัญคือคนเดียวสำหรับฉันก็ฉันอบคนเดียวก็ต้องรักคนเดียวก็ต้องมองคนเดียวไม่สนใคร ก็ฉันรักเธอคนเดียวกอต้องให้เธอคนเดียวใจดวงนี้ให้คนเดียวไม่ให้ใคร oh. บอกให้เธอรู้ไว้เธอคือที่สุดของหัวใจถึงเธอทูนบูชายิงก็ใครใครจะดีแสนดีเลิศเลอมาจากไหนก็ฉันน่ะกิฟต์แล้วก็ฉันน่ะพอแล้วจะมีกี่ล้านคนจะเป็นแบบเพลิดเพลนเองประมาณกีพ วกว่าจะได้เจอแค่ครั้งหนึ่งเขามอบความซื่อสัตยให้เธอไว้ก็เพราะว่าฉันรักเธอหมดใจ รักคนเดียวก็ต้องมองคนเดียวไม่ซ้อนกันไมแล้วครับก็ฉันรักเธอคนเดียวกอต้องให้เธอคนเดียวใจดวงนี้คนเดียวไม่ให้่ใครก็ฉันคนเดียวก็ต้องมีใคร 19.5 เมกะเฮิรตซ์สร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี นทัญบุรีวิทยุราชมงคลธัญบุรี r FM 8.5 MHz เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต